ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังท่างหลายแต่รลวมปโนติญาณในวันนี้จะพูดเรื่องวิปัสนาสมาธิคือปัญญาเห็นชอบเป็นความเห็นที่แจ่มแจ้งตรงความเป็นจริงวิปัสนานั้นก็เป็นชื่อของกรรมฐานที่จริงเวลาพูดเนี่ยมันก็พูดรวมกันไปนะฮะสมถวิปัสนา แต่ว่ามันยังมีนัยยะที่เราจะพูดในช่วงอื่นในที่นี้ก็มองเฉพาะแนววิปัสสนาสมาธิิไปก่อนคือมองในแง่ของความจริงที่แท้จริง <Yeah. S 1> เราถือว่าชาวโลกนั้นถูกวิชาคือความไม่รู้เนี่ยพุ่มห่อเอาไว้ มีลักษณะความสับสนในด้านความคิดแล้วก็เป็นสากลทั่วไปนะเขาเรียกว่าวิปัลานาคือมองคลาดเคลื่อนจากความจริงเพราะความจริงนี่ท้าจริงนี่มันเป็นอย่งหนึ่งแต่ว่าเรามองคลาดเคลื่อนไปเป็นอีกอย่างหนึ่งและการมองคลาดเคลื่อนเหล่านั้นมันมีถึงสามระดับ ระดับหนึ่งเรียกว่าสัญญาวิปลาสคือการจำหมายที่คลาดเคลื่อนระดับที่สองไม่เป็นความคิดที่วิปลาสระดับที่สามคือจะเป็นความเห็นที่วิปลาสมันก็ลึกซึ้งลงไปในเรื่องเดียวกันนีคยับปัญหาว่ามันคลาดเคลื่อนลึกซึ้งเข้มข้นขนาดไหนในกรณีถ้าเรามองให้ดีก็คือกระบวนการทางจิต คือธรรมชาติของจิตกล่าวโดยรวมๆนะะว่าคือธรรมชาติที่รับอารมณ์ซึ่งผ่านมาทางประสาทสัมผัสโลกเราเป็นโลกคนสัมผัสเราเรียนรู้โลกด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจภนะายนอกเราเราก็เรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสผลิภาณธรรมลมก็จบแล้วอาจจะใช้โวหารอย่างอื่นปริยายอย่างอื่นก็ได้นะจะเรียกได้ยเยอะ อาจจะพูดว่านามารูปหรือรูปนามอาจจะพูดเรื่องขันท่าตัวอาจจะพูดในแง่อื่นในแง่ธ า, าตุในแง่อะไรแต่อะไรก็ตามแล้วก็สรุปแล้วก็คือแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มภายในกับกลุ่มภายนอกทีนี้ถ้าเรามองดูอีกทีหนึ่งนะคว่าเราเองก็เป็นรูปเสียงขลินรถพุทธภพก็คนอืทนธรมารงก็คนอื่น คนอื่นก็เป็นรูปเสียงดินรถพ陀ธรรมรมของเราเพราะ ง, งั้นฐานะหนึ่งเราก็เป็นอายตนะเรามีอายตนะภายในแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสมองคนอื่นเราก็เป็นอายตนะภายนอกทีนี้การเรียนรู้โลกเนี่ยในชั้นชั้นเนี้ยเขาเรียกว่าวิญญาณคือรูปทางตารู้เสียงทางหูรูร้ลินทางจมูกรู้ ร, รถทางลิ้นรู้ยินด้วนคนามแข็งทางกาย รู้ทางอารมณ์ทางใจสิ่งนี้สิ่งที่เรารับรู้เนี่ยที่จริงมันมันเป็นการปรุงแต่งะมันสับสนมันเป็นมายามันไม่ค่อยจริงอะไรสักอย่างแต่โดยเฉพาะยุค ข, ของการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆของกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายนไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเช่นการโฆษณาสินค้าการโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายหรือสื่อสารทั้งหลายเนี่ย ถามว่าคนเหล่านั้นมีความสุจริตใจขนาดไหนทีกที่พูดมันมีโลภะโทสะโมหะอยู่หรือเปล่ามันเหมือนกับแม้แต่ระดับที่เรามองให้ดีนะว่ามันเหมือนกับกฎหมายหรือพระราชบัญญัติแม้แต่รัฐธรมนูญนะถ้าเรามองภูมิหลังของคนที่ร่างรัฐรมนูนเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยเหมือนกับออกสเปกไว้แล้ว ใครอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเลยเราก็แสดงว่าในด้านความคิดเนี่ยมันก็ไปให้ความต้องการแก่ตัวเองแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเมื่อเราไปศึกษาเรียนรู้มาเนี่ยแต่เราเกิดจำแนแกแยกแยะไม่ได้มันก็กลายเป็นการทรงจำที่ไม่ยุติโดยเหตุผลและความดีคือจำกันมารุ่นๆจำกันมาเป็นเป็นชิ้นเป็นอัน เพราะการเรียนรู้โลกเนี่ยมันมันเขาไม่ได้แยกมาให้แต่เราเรียนรู้ตามที่มันปรากฏโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นแต่เราศึกษาเข้าใจมันได้ขนาดไหนมีพระพุทธํารักอยู่ข้อหนึ่งอาตมาว่าไผ่รอบมามันจะทอดอะไรฮะเราเห็นแต่ข้อความสั้นๆ ระเอธาปัสสะที่มังโลกังกิตังราเชะธูปะมังยัตถบาลาวิสีดันตินันทิสังโฆวิชานตตังสูเจ้าทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตราการดูราชรสที่พวกคนเาขาคล้องอยู่แต่พวกผู้รู้หาคล้องอยู่ไม่ก็แสดงว่าโลกเนี่ยมันเกิดมาจากอวิชชา เราอยู่ในโลกด้วยวิชาโลกมันไม่ได้เกิดจากวิชาหรอกโลกมันเกิดจากธรรมชาติมันโดยกฎของธรรมชาติของมันแต่พอดีเราเกิดมาท่ามกลางวิชาเราไม่เข้าใจโลกอ่ะเราไม่รู้โลกอย่างชัดเจนศึกษากันทุกวี่ทุกวันติดตามข่าวคราวสื่อสารต่างๆไม่ว่าจะติดตามยังไงก็ได้ เอาก็จริงถ้าเราเอาเอกสารตรงนั้นมาศึกษาแยกแยะดูแล้วเนี่จะเห็นว่าเป็นเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์มันมีความเป็นอคติอะไรอยู่เยอะในตัวตรงนั้นหาเอกสารที่บริสุทธิ์นี่ยากันบางบางทีอาจจะอาจจะเพราะบทนานก็ได้นะเกือ่อมาอ่านหนังสือธรรมะอา่านพระไตรปิฎกเนี่ยว่าได้เป็นชั่วช่วโมงนะามสี่ชั่วโมงอา่านได้เชอา่าชั่วโมงหนึ่งทีก็นั่งรวดไปเลยอา่านได้ แต่หนังสือที่ชาวบ้านเขาเขียนกันเนี่ยอ่านไม่ได้อะไรง่วงรู้สึกมันมันไม่เคยมีเหตุผลนะแต่อาจจะเพราะบวชนานแล้วเพราะแก่ขึ้นมาก็ได้นะเราก็คุ้นคุ้นในเรื่องของของหลักธรรมในทางศาสนามันเป็นการแสดงความจรงิงแม้จะทวนกระแสกิเลสทวนกระแสอารมณ์ทวนกระแสสังคมนยะแต่นั่นก็คือความจรงิง เพราะเนจากการจํำมาอย่างเงี้ยมันทําให้คาดเคลื่อนทําให้เคลื่อนก็หลงทางหลงทางในสุดมันก็ความจาตรงเนี้ยเมื่อเราจามารุ่นๆโดยไม่ใคร่ไม่มีการวิเคราะห์ตรวจสอบที่จริงสัญญาเนี่ยมันเป็นลักษณะของปัญญาอยู่ระดับหนึ่งเนี่ยคือจําว่าอะไรเป็นอะไรแต่ว่าเราผ่านการวิเคราะห์การกันกรองหรือ เ, เปล่าประความคิดบางอย่างเนี่ยมัน สามารถจะลดไอ้ความร้ายเหตุผลลงไปบ้างได้ไหมแต่สรุปสัญญาตรงนี้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเกิดสับสนในบางประเด็นเขาก็เรียกว่าสัญญาวิปลัลสนาคือคันจำมา ค, คลัทเื่อนจำมาผิดเข้าใจมันผิดแต่แยกแยบประเด็นตรงนั้นได้เป็นผิดพอผิดถ้าเรารู้ว่าผิดมันก็นดีไปถ้ารู้ว่าไม่ผิดถ้าไม่รู้ว่าผิดมันก็มีปัญหา เดี๋นี้พระเจ้าทรงแสดงว่าคนพานที่รู้ตัวเองว่าคนพานเนี่ยมันมีโอกาสเป็นบัณฑิตได้แต่คนพานที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนผ่านเนี่ยมันผ่านแท้เลยแล้วก็สอดคล้องกับคำพูดของท่านคงจื้อคงจื้อท่านพูดขมนะท่านบอกว่าสิ่งใดที่ท่านไม่รู้ท่านรู้ว่าท่านไม่รู้นั่นก็แสดงว่าท่านรู้คือรู้ว่าไม่รู้ สิ่งใดที่ท่านรู้ท่านรู้ว่าท่านรู้ก็แสดงว่าท่านรู้คือรู้ว่ารู้แล้วมันก็ก็ดห่วงไว้เอาเฉพาะที่เรารู้คือจะไม่พูดในเรื่องที่เราอย่างไม่รู้ก็หมายความว่าไม่ไม่ชี้ในเรื่องที่เราไม่รู้้าจะชี้ก็ชี้เฉพาะเรื่องที่เรารู้ทีนี้จากตรงนี้มันก็กลายเป็นสัญญาวิปลาสพอถึงจุดหนึ่งมันก็กลายเป็น สะสมมากขึ้นบอนำมาคิดเนี่ยมันเริ่มข้อมูลมันผิดเริ่มข้อมูลผิดมันก็คิดผิดเห็นไหมก็คิดผิดคิดผิดก็กลายเป็นจิตตะวิปัลลาจนนั้นคิดสะสมอยู่บ่อยๆคิดสะสมอยู่บ่อยๆก็กลายเป็นความเห็นก็เรียกว่าทิฏฐิวิปัลลาเรื่องเดียวกันนะฮะเรื่องในการที่เนี้ยแนวตัวเนี้ยมันจะออกมาในสี่แนวสี่แนวใหญ่ๆคือในแง่ของความเป็นจริงเนี่ย โลกและชีวิตไม่มีอะไรสวยงามจริงๆมันเป็นการเสกสรรปรุงแต่งขึ้นมาเป็นมายาเป็นภาพลวงตาเฉยๆหรือถ้าเรามองให้ดีแล้วนะอะไรก็ได้นะพอเราแยกออกมาเป็นชิ้นๆมันไม่มีอะไรสวยงามเพราะในการสวยงามเนี่ยมันจะเกิดจากการมุมมองของมนุษย์เอง คือมองเมื่อเขาปรุงแต่งอย่างดีเนี่ยก็สวยงามแต่ถ้าเรามองดีว่าเหมือนกับการเล่นปร า, าสาททรายเล่นปร า, าสราทน้ำแข็งอะไรต่อะไรของคนในส่วนต่างๆที่เป็นสื่อเนี่ยมันก็ชัดเจนนะฮะว่าปร า, าสราทน้ำแข็งมันก็สวยจริงแต่ประเดี๋ยวก็พังแล้วปราสาททรายมันก็สวยจริงฮะแต่ก็พังนะแสดงว่ามันไม่ได้ถาวนยั่งยืนอะไรมันไม่สวยงามอะไร ทีนี้มันก็ปรุงแต่งปรุงแต่งให้เกิดมองเห็นว่าเป็นของสวยงามแต่ที่จริงร่างกายของเราเนี่ยร่างกายของเราเนี่ท่านบอกไว้ชัดเจนนะร่างกายเราไม่ได้สวยงามคําว่ากายซึ่งเป็นภาษาบาลีเนี่ยออกมาจากคําว่าปุแปลว่าน่าเกลียดน่าเกลียดสกปรกปฏิกูลแล้วแต่จะแปลนะอาญะคือแหล่งเป็นแหล่งและที่ประชุมและที่รวมของสิ่งปฏิกูลน่าเกลียดทั้งหลายเนี่ย มาวงอยู่ที่กายเนี่ยคือแต่นิดแต่น่อยมันก็เจอของปฏิกูลแลก็ยังนึกว่าคนกับแมวนะแมวไม่อาบน้ำห้าวันเนี่ยไม่เป็นไรนะคนไม่อาบน้ำวันเดียวนี่ยแย่เลยก็แสดงได้ง่ายจริงๆนี่คนก็ปฏิกูลนะแต่ว่าใจคนไปกำหนดด้วยความกำหนัดมันก็เกิดสินเนหาอะไรกันมากมายกาก่อ แล้วก็มองผ่านคือไม่ใส่ใจถึงความปฏิคูนตรงนั้นโดยตามปกติแล้วเนี่ยมันเขาบอกว่ามองโดยนิมิตคือมองเป็นภาพรวมๆเจนรถคันนี้สวยคนนี้สวยสัตว์นี้สวยอะไรจะมองรวมๆไปเลยบ้านหลังนี้สวยนี่มองรวมๆไปเลยบางทีก็แยกส่วนออกมาส่วนนี้สวยส่วนนี้สวยอะไรต่ออไรเนี่ยนะ ก็เคมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นทาสีนะฮะแล้วก็เธอพอใจติดใจในพระอนุนตามตื้อพระอนุนไปอยากได้พระอนุนมาเป็นสามีนะฮะรอนุนก็เป็นราชกุมารแล้วก็พระอนุชาของพระพุทธเจ้านะฮะลูกพระเจ้าอาพระเจ้าต้องเรียกไปนะเรียกผู้หญิงคนเนี้ยไปคุยด้วยถามโดยชอบอะไรอนุนเธอก็บอกหมดในแยกแยกส่วนมาบอก บอกจะหมูกบอกตาบอกได้วตะรอยปากก็ว่าไปเรื่อยเลยท่านก็พระเจ้าก็อธิบายให้เห็นว่าตัวเนี้ยแต่ละสวนมันปฏิคูลยังไงประกอบไปส่วนยังไงมีอาการยังไงทเธอก็เห็นนะเธอก็เลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนพระเจ้าก็ตามอธิบายตามอธิบายท่านก็ไม่ยอมครับคน ท, ทุนไทยต้องบวชเป็นภิกษุณีตามตื้พระอนุ น, นไปตั้งหลายเมืองไปแก้ปัญหาตกที่เมืองโกสัมพี อนุนต้องใช้วิธีเทศเทศใหฟังเลยอธิบายให้ฟังแล้วในที่สุดก็เกิดสำนึกปิดแล้ว ก, ก็ตั้งตัวได้นะฮะนี่คือพระพุทธเจ้าทรงรู้ว่าตอนนี้ต้องเอาใจเ็าก่อนแล้วค่อยๆก่อบไปเรื่อยๆค่อยขัดกลาวจิตใจไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยท่านจะบรรุมากคผล เพรความคิดแห น, นวิปลาสคือหลงโลกหลงเป็นความสวยงามทั้งหลายเนี่ยและบางทีเราก็ไม่ค่อยคิดนะว่ามันสวยจริงหรือเปล่าอย่างในหนังสืออะไรยศกิจหรืออะไรเนี่ยหนังสือสมัยก่อนนะที่เขาเรียนเป็นคํากรอนคือเราก็อ่านแล้วมานั่งมานั่งคิดว่าเอ๊ะมันสวยจริงเเล ย, เ, ยเขาพูดถึงความงามของผู้หญิง จะเป็นความงามแบบอินเดียชัดเจนมากเลยนะก็เราลองลองนึกดูแต่เราเขียนภาพไม่เป็นน่ะนะแล้วนึกว่าอมันมันมันจะสวยได้ยังไงเขาบอกว่าเจ้างามพักเพียงจันร์บุหลันฉายงามเนตรดังดึงในตาทายงามขนงกงละไม้ขันสนส่ง เจ้างามนาสาโยน์ดังโกลขอเจ้างามสอดังคอสุพรรณหงเจ้างามกันดังกรีบบุตรสบงเจ้างามบงนาละเรียเราไปเรียก็ว่าไปได้เลยนะคือเรามาลองนองนองนึกว่าหน้ามันดวงจันทร์เนี่ยมันสวยยังไงเจ้างามพักเพียงจันทร์บุตรหลังฉายเนี่ยมันสวยยังไงเจ้างามเนตร ด, ดังหนึ่งในตาสายนะตาเนื้อสายนะีย่บผกฟังได้นะยงบอกฟังได้นิดหน่อย งามขนมกลงละไม้ขันสอนส่งคิ้วเหมือนกับขันสอนกอยังก็ยังบอกฝังได้แต่งามนาสายอ์นางกลมขอจมูกเหมือนกับขอเนี่ยมันนึกไม่ออกว่าจะมูแขงแน่แล้วเห็นนะฮะเรายอมรับมาเลยแล้วเราก็ก็ ก, ก็ก็คิดความงามอย่างขาวอะแต่แม่ได้คนางามจริงหรือเปล่จาจะงามสอดังคอสุพรรณหงษค อ, อ, อยาวเหยียดนะเหมือนก็โขงเลย ยังพกฟังไหวยนะเจ้างามการดังกรีบบุตรสบงหูเหมือนกับกรีบบุเอมันนึกเป็นหูคนหรือเปล่าแล้วถามว่ากวีนีเคคเ่เคยคิดหรือเปล่าเคยคิดหรือเปล่จริงๆเนี่ยถ้าเธอสเก็ตภาพออกมาอย่างนั้นเนี่ยมันมันสวยจริงหรือเปล่านั้นแสดงว่าเป็นถูกครอบงำในด้านความคิดแล้วก็ไม่กล้าที่จะอธิบายโดยในยะอื่นก็ทําให้คนก็ยอมเสยบ ย่นสงบต่อความ ง, งามในลนักษณะอย่างนั้นเนี่ยคือลองลองลองสังเกตวัานคาดีต่างๆที่มันพัฒ น, นาความงามก็านางสีดาก็ดีนางพิมพาก็ดีนางสุวรรณมาลีก็ดีแล้วเปิมันลาก็ดอะไรแต่ไรเนี่ยมันก็พิกลนะะคือถ้าเราดูให้ดีแล้วก็พิกลแต่ว่าคนไม่เคยคิดคนไม่เคยมองในความจริงส่วนนี้เพราะในแนวของพระพุทธศาสนาเนี่ย ไม่ใช่ไม่ใช่แนวพุทธศาสนาที่จริงในความจริงที่แท้จริงอ่ะท่านถือว่าเป็นความคิดที่วิปลาสเป็นการจําหมายมาที่วิปลาสมันคลาดนะคะาเคลื่อนจากความจริงทีนี้มันเป็นกระบวนการเดียวกันนือกระบวนการนี้ที่วิจิงกระบวนการของจิตที่ทําหน้าที่รับอารมณ์ก็เรียกว่าวิญญาณทําหน้าที่จําอารมณ์ก็เรียกว่าสัญญาทําหน้าที่คิดอารมณ์ก็เรียกว่าจินตนาทําหน้าที่รู้ก็เรียกว่าสัญญาบ้างวิญ ญ, ญาณบ้างปั ญ, ญญาบ้างนะฮะ ทิชชบ้างก็แล้วแต่จะเรียกแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเป็นถึงทิชชิแล้วมันยุ่งคือท่านปรักใจยอย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ยอมผ่อนคลายอะไรเลยนะในสมัยพุทธกาลนี่มีเรื่องขำๆกับหน้าอินดูนะฮะมีด้งตาท่านคุ้นเคยกับภิกษุณีรูปหนึ่งต่อมาภิกษุณีนั้นมอนภาพทัานเสียใจ ร้องไห้ในะกอดคอกันร้องไห้หลายรูปสามสี่รูปปิกสุก็ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าท่านปุจารักษามว่าเธอเหล่านี้เป็นอย่างเงี้ยในชาติก่อนเคยเป็นปนองเป็นอีกานะฮะเป็นอกาแล้วก็นางกาตูมีนะฮะก็ตกลงในหมาสมุดแล้วก็ตายเธอก็เศร้าโศกเสียใจนะเอาปากไปวิดหมาสมุดเพื่อจะ เอาสบของอิกาคืนมาแต่ทําไร่ไยๆเฉยๆเด้อเงี้ยเป็นพระแล้วก็ยังเด้ออยูย่นี่ก็คืออะไรก็คือว่ามันอาการจริงๆเนี่ยมันเกิดจากหลงคือเราไม่ยอมใช้ปัญญาไม่ยอมใช้ปัญญาในการมองยังสมัยก่อนเนี่ยพระเราเนี่ยท่านวางหลักเอาไว้ให้สาธยายอาการสามสิบสองในพิจารณาอาการสามสิบสอง ในการต่อมาก็พูดแค่ห้าอย่างนะเอาเฉพาะที่เห็นกับตาตาหูใจปัญญาของขนและผ น, นังนพิจารณาโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่โดยการหลุดร่วงออกมาจากจุดที่มันอยู่ให้เห็นว่าจริงๆนี่สวยจริงหรอือเปล่าผมสวยจริงไหมขนสวยจริงไหมเล็บสวยจริงไม้มอะไรๆก็ดูไปได้เลย ก็เพื่ออะไรเพื่อจะบรรเทาความความวิปัสสตรงนี้ท่านเรียกว่าสุภาพวิปรสนาทุกของนี่มันไม่สวยงามแต่เราไปเกิดไปตีข้า ว, ว่ามันสวยงามพอสวยงามแล้วก็ไม่ยอมใช้เหตุผลละลหลับหูหลับตาก็สวยงามไปอย่างนั้นทว่าได้เคยเล่าเรื่องภิกษุที่ท่านติดใจพอใจในนางเิริมาติด ใ, ใจในซากศพ เขนักไม่ใช่ไม่ใช่ซากศพอะตอนนั้นนางสิริมาท่านป่วยอยู่แต่ภิกษุนี่ท่านรับสื่อมาว่านางสิริมาสวยงามอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นงนัน้ท่านก็ปักใจฝังใจจิตนาการเทลเลอร์รู้เลยแต่ตอนที่ท่านไปรับบาด ท, ที่บ้านนางสิริมานางสิริมาป่วย แต่ก็พยายามให้ทุกคนใช้ประคประคองมานะเพื่อท่านจะได้ไหวยพระคือตักบาตรไม่ไหวยกมือไม่ไหวแต่แรกก็ปากใจสวยมันมันเป็นทิฏฐิวิปลาดไปแล้วมันสะสมฮะสะสมมา น, นานสะสมเป็นความจําสะสมเป็นความคิดปุณิจินนาการเราทั้งนั้นแหละแล้วักษณะเหล่านี้ยเราจะเห็นว่ามันเหมือนกับเราไปรับเรื่องต่างๆเช่นสมมติว่ตรงเนี้ผีดุตรงนี้เจ้าแรงตรงนี้อะไรแตร่อะไรเนี่ยเราก็ไปเชื่ออย่างนั้น แล้วกลายเป็นความเห็นปักใจฟังใจมาถึงตรงนี้จะต้องทําอย่างนั้น่ไม่ทําไม่ได้แล้วนั่นก็เป็นอาการวิปลาสที่จริงวิปลาสมากๆเนี่ยคือถ้าเราดูจริงๆมันวิปลาสเนี่ยมันคือขาดสติขาดสติขาดปัญญาในการตรวจสอบในการพินิจพิจารณาเพื่อหาความรู้ความเข้าใจในเรื่องดับนั้นพอมาถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นทิฏฐิวิปลาส เป็นความสวยงามประงั้นวิธีการดิพระพุทธเจ้าทรงสอนกรรมาฐานแนวนี้นะคือยังนึกถึงพระกนิ tha ิ a g ห n i ของพระพุทธเจ้าพระนางรูปปันธาคือยังลองนับดูนับอายุท่านดูนับประชนัญษาท่านดูนะว่า ตอนท่านเสด็จออกพนวดเนี่ยพระเจ้าสุโธธนาผ่านไปแล้วพนางเอหมห า, าวระชาบดีก็เสด็จพนวดแล้วพนางยโสธราก็เสด็จพนวดไปแล้วคือคนอื่นบวชไปแล้วอะเรียงเหลือแต่ท่านองค์เดียวในวังเนี่ะท่านก็เลยต้องบวชก็ยังนึกว่าพระชนกร n s a ตอนนั้นเนี่ยท่านก็ไม่น้อยอ ก, กว่าสี่สิบหละบอกบอกก็สี่สิบเลยนะแต่น่าจะกว่าด้วยทําไป แต่ท่านยังหลงความสวยงามของรูปร่างท่าน ท, ทั้งที่โกนผมหัวล้านแล้วนะแต่ยังหลงรูปแล้วเกินนะเ้ยกว่าพระพุทธเจ้าจะแก้ทางได้นต้องใช้บายวิธีทั้งเยอะเลยแต่ในสุดท้ายก็บรรลุมรกรุ่นได้แต่เราจะเห็นว่าพวกนี้มันมันจะเกิดราคะเกิดโลภเกิดโทสะปราะวันมาจากโมหะที่เข้มข้นมาก นั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งคือนางมาคันธยาพ่อคนเธอมานํามาถวายพระพุทธเจ้าก็คิดแบบคลามานะฮะพระพเจ้าก็ไม่รับแล้วก็อธิบายความเป็นมาของพระองค์ให้ฟังกูประมาร่างกายเหมือนเหมือนหม้อที่ใส่อุจจาระมันไม่สามารถจะถูกต้องได้แม้่โดยท้าประโยชนนี้นะฮะนางมาคันธยาแค้นพระพุทธเจา้า จนพระเจ้าเสด็จโกสัมพีเนี่ยแกจ้างคนมาด่าเราพระเจ้าอยู่ตั้งเจ็ดฟันเห็นไหมแกเกิดจากวิปลาสคือหลงตัวเองว่าสวยเพนันสวยทุกคนต้องยอมรับว่าสวยถ้าไม่สวยโกรธนะถ้าไม่ยอมรับว่าสวยก็โกรธปีนี้ถ้าใครยอมว่าสวยมันก็เหลิืองไงมันก็เหลิงไปเรื่อยเลย เป็นความงามเป็นความงอมแล้วก็ไม่ยอมงอมอ่ะทีนี้ก็ต่อต้านอะไรก็ทําสัญญกรรมปฏิกะว่าอะไรไปเรื่อยๆนี่คือปัญหาที่เกิดวิปลาสเพราะเลยเพราะาขาดปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาให้ชัดเจนในแต่ละขณะว่าในวิปัสสนาก็คือให้พยายามมองให้ชัดเจนในขณะนั้นๆในกรณีนั้นๆสงใชง้กำวมาตัทฐะตัทฐะวิปัสสติก็เห็นชัดเจนในแต่ละขณะ แล้วเราจะเห็นว่าเอาก็จริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นแต่การที่เราคิดมันเป็นมันเป็นภาพดวงตาเฉยๆเป็นมายาเฉยๆแล้วมีมีายวิธีในการสอนเยอะนะฮะแนวแนวิปัสสนาเนี่ยจะเยอะมากแต่ว่าต้องใช้ปัญญามากถ้าว่าปัญญาไม่มากพอแล้วก็เขาเรียกว่าจำแรกจำแรกกิเลสออกไปไม่ได้ กิเลสมันปะทะไว้มันชนไว้มันมันมั น, ม, นมันพยายามอธิบายจนกรอบจนลงมันนั้นก็ปัญญาเห็นชอบในวิปัสสนาเนี่ยเป็นเรื่องของการวิเคราะห์สวจสอบสิ่งเหล่านั้นให้เข้าถึงเนื้อหาสาระสิทธจริงคือชัดเจนภายในใจตัวเองซึ่งก็คงจะพูดเรื่องนี้หลายหลายคราวเช่นเดียวกันต้องฟังอะไร แต่รมประพตยานในวันนี้ขอยุดติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอองามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี